เชื่อคนอื่นหรือเชื่อตัวเองมีปัญหาเกิดขึ้นว่าเมื่อกล่าวตามหลักการลามสูตรแล้วก็กลายเป็นว่าพระพุทธศาสนาไม่สอนให้เชื่อคนอื่นเลยหากสอนให้เชื่อตนเองเมื่อเป็นเช่นนี้จะเป็นหลักฐานได้อย่างไรเพราะความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในโลกก็เกิดเพราะคนเชื่อตัวเองไม่ฟังเสียงผู้อื่นไม่ใช่หรือก็ไหนว่าพระพุทธศาสนา เป็นประชาธิปไตยฟังเสียงคนข้างมากเป็นประมาณและทำไมจึงกลับมามีหลักให้เชื่อตอนเองอีกเล่าปัญหาข้อนี้ตอบง่ายโดยอาศัยพื้นความรู้ทางพระพุทธศาสนาติดต่อกันคือที่พระพุทธศาสนาสอนไว้อย่างเป็นแบบอย่างทางประชาธิปไตยนั้นก็ต้องไม่ลืมว่าเป็นประชาธิปไตยชนิดที่อยู่ในกรอบของศีลธรรม หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นประชาธิปไตยด้วยเป็นธรรมมาธิปไตยด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าพวกมากลากไปถ้าผิดธรรมผิดวินัยแล้วจะมากมายเท่าไหร่ก็ใช้ไม่ได้กลาวนี้มาถึงประเด็นความเชื่อถือพระพุทธศาสนามีคำอยู่คำหนึ่งสรรเสริญคนที่ได้ประจักษ์แจ้งความจริงได้รับผลแห่งการปฏิบัติเสร็จแล้วว่า อปรรับปัจจโยแปลว่าไม่มีผู้อื่นเป็นปัจจัยถอดความว่าไม่ต้องเชื่อตามเขาว่าเพราะได้ประจักษ์แจ้งผลด้วยตนเองคนที่ไม่รู้อะไรด้วยตนเองเลยต้องลับแต่เขาว่าเรื่อยไปนั้นนับได้ว่ายัางเป็นผู้ห่างไกลจากความจริงต่อเมื่อได้ไดค้นคว้าทดลองจนประจักษ์แจ้งด้วยตนเองแล้วเมื่อนั้น จึงจะนับว่าได้มีความเชื่อชนิดที่ไม่ต้องเดาหรือฟังเขาว่าต่อไปขอยกตัวอย่างประกอบสักสองถึงสมเรื่องเพื่อให้ความชัดขึ้นสมมุติว่านายกอไม่เคยรับประทานทุเรียนเลยถ้าจะให้ในายกออธิบายรสของทุเรียนนายกอก็คงต้องอาศัยการเดาการฟังคำผู้อื่นแต่ถ้าให้ในายขอ ซึ่งเคยรับประธานทุเรียนอธิบายบ้างแม้จะไม่ชัดเจนเท่ากับลองรับประธานเองอย่างน้อยในขอก็คงชี้แจงได้บ้างในรสหลักหลักของทุเรียนเช่นรสหวานรสมันเป็นต้นตกลงถ้าจะให้คนอื่นเข้าใจรสของทุเรียนอย่างแท้จริงก็ไม่มีวิธีอื่นดีกว่าให้เขาลองลิ้มรสด้วยตนเองเขาจะเข้าใจประจากแจ้งรสนั้นโดยไม่ต้องคอยฟังคนอื่นอธิบายซึ่งถึงอย่างไร ก็ไม่ชัดเจนเท่าได้ลิ้มรสด้วยตนเองตัวอย่างที่สองในกอไม่เคยไปประเทศอังกฤษเลยฟังแต่เขาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อเทียบกับในขอได้ไปเห็นประเทศอังกฤษด้วยตนเองแล้วจะต่างกันมากอย่างนี้จะว่าเชื่อตนเองดีหรือคนอื่นดีก็จงพิจารณาดู อย่างที่สามในกออ่านหนังสือไม่ออกต้องมีคนสอนให้อ่านกับในขออ่านหนังสือออกด้วยตนเองไม่ต้องมีใครมาบอกให้อ่านอย่างนั้นอย่างนี้ก็สามารถอ่านได้ดังนี้อย่างไหนจะดีกว่ากันเป็นอันว่าการเชื่อตัวเองภายหลังที่ได้ประจักษ์แจ้งความจริงแล้วเป็นความเชื่อที่ดีที่สุดไม่ต้องลังเลสงสัยอะไรต่อไปอีก ข้อสำคัญจะต้องทำความเข้าใจกันให้ดีว่าคำว่าประจักษ์แจ้งด้วยตนเองนั้นจะต้องไม่ใช่สำคัญผิดจะต้องประจักษ์แจ้งชนิดได้รับผลหรือประจักษ์ผลนั้นๆจริงๆการสำคัญผิดที่ทางศาสนาเรียกว่าอธิมาณะคือสำคัญว่าได้บรรลุมีใ่ความเชื่อที่พึงประสงค์ในที่นี้ เป็นอันสรุปเว้ชั้นหนึ่งก่อนว่าความเชื่อในพระพุทธศาสนานั้นต้องมีปัญญากำกับและต้องการให้ได้ประจักษ์แจ้งในสิ่งนั้นๆด้วยตนเองไม่ใช่เชื่อตามๆเขาว่ากัน